ใหม่ทั้งปีเลยยิ่งดีครอันได้อ่านข่าวหนึ่งนะน่าสนใจแล้วก็แปลกดีแต่ที่จริงมันก็อาจไม่แปลกก็ได้เพราะมันอยู่ใกล้ตัวมากเดี๋ยวนี้ก็เห็นกันทั่วไปแต่จะไม่ทันได้สังเกตคือเขามีงานวิจัยชิ้นนึงพบว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ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 จะมีใครส่งข้อความมาหรือเคยจะมีใครเขียนข้อความมาให้อ่านถ้าเป็นคนทํางานก็ไม่มีสมาธิกับงานแล้วใจจดใจจ่จจอคอยเอาโทรศัพท์มาดูนั่นแหละสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนี่มันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะหรือถ้าถึงแม้มีโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเป็นโทรศัพท์ที่มันยังเป็นรุ่นเก่านะมันก็ไม่มีแบบนี้นะ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 เด็กและผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิแล้วทำอะไรก็ประเดี๋ยวเดียวก็ต้องคว้าโ ท, โทรศัพท์มามาดูมาอ่านบวงทีกินข้าวเนะี่ยกินข้าวไปก็หยิบโทรศัพท์มาดูไม่ค่อยได้คุยกันแล้วนะแบบเอาเรีบว่าถ่ายถ่ายรูปอาหารขึ้นเฟ e b ุ o k นี่ธรรมดาไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ททำอะไรต้องหลายอย่าง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 แค่เครื่องละสามร้อบาทแค่นั้นล่ะนะต่อไปพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ต้องใช้แล้วนะเพราะมันถูกไงแล้วแต่บริการมันยังแพงอยู่ต่อไปก็จะถูกลงแตแล้วก็จะติดนะเพอติดมนแล้วก็ต้องเสียเงินนะใช้มันนอกจากเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเยอะนะมีบางรายนะโดยเก็บค่าโทรศัพท์ไปหลายหมื่นหลายแสนนะเคยเป็นข่าวมาปีที่แล้วนะ ลูกเอาโทรศัพท์แม่ไปใช้นะเล่นลายเล่น <c oughs> เล่นเกมาะกว่าโดนเรียกค่าโทรศัพท์เป็นแสนเลยนะสองสามแสนห้าแสนก็มีแค่เดือนเดียวนะนี่ยอันนี้เป็นอบายมุกอย่างหนึ่งแล้วนะที่มันแพร่ระบาดต่อไปเนี่ยศินแปดอย่างเดียวไม่พอแล้วนะสินแปดเนี่ยก็ามีข้อนะข้อเจ็ดว่านัจคีตะ ไม่ประดับประดาไม่ตกแต่งไม่ร้องรำทําเพลงไม่ร้องรำทําเพลงไม่เที่ยวไม่ดูหนังไม่ฟังละไม่ดูละครไม่ดูการละเล่นเดี๋ยวนี้ไม่พอแล้วนะมันต้องมีศี่งเก้าแล้วข้อที่เก้าคือว่าอต้องปิดโทรศัพท์นะไม่เปิดโทรศัพท์ดูข้อความเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแนวเพรว่ามาถือสินแปดนะมาถือศีลแปดแต่ว่าใจไม่มีสมาธิก็เปิดดูโทรศัพท์นั่นแหละ นะอาจจะไม่ถึงกับทุกสิบนาทีนะแต่ว่าก็ทุกครึ่งชั่วโมงเปิดนดะูเปิดดูดดสินป่นี่ก็มีไว้เพื่อทำให้ใจเราอิสระโปรงเบานะไม่ไม่ไม่เสพติดนะไม่ว่าจะเป็นสุรายามเมาหรือว่าอาบายามุกที่มันประนี่กว่านั้นหรือหยาบน้อยกว่านั้นเช่นการละเล่นละครหนังเพลงนะ หรือว่าการประดับประดาแต่เดี๋ยวนี้อบัยมุขที่มันละเอียดกว่านั้นก็มีนะไอ้โทรศัพท์มือถือหรือเกมออนไลน์พวกนี้ก็ใช่ดังั้นต่อไปเนี่ยศินแปไม่พอแล้วนะต้องมีศีนก้านะอุโบสถสีนนี่ต้องพัฒนาเป็นมีเก้าข้อใครมาวัดนี่ต้องถือถือสีนข้อที่เก้าด้วยนะก็คือว่าไม่เปิดโทรศัพท์นะอันนี้ก็เรียกว่าทรมาตจิตใจคนรุ่นใหม่ยิ่งกว่าการไม่ไม่ร้องลัมทำเพลงใชกนะ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 อ่ะเตรียมแล้